Thank you. กองทัพธรรมธรรมอิงชีวประวัติของท่านพระสารีบุตรเถระพระธรรมเสนาบดีแห่งพระพุทธศาสนาเสนอตอนที่สิบเอ็ดเรื่องนาทิกะคามใกล้รุ่งของวันใหม่สุรเสนา ได้อำนวยความสะดวกแก่สตรีชราผู้มุ่งเดินทางไปสู่กรงไผ่าลีเพื่อเยี่ยมบุตรด้วยพาไปพบท่านบิดาของตนแล้วขอให้โดยสารไปด้วยในกุเอียนกองคุมซึ่งอยู่ท้ายขบวนขณะที่ขบวนกุเอียนเคลื่อนออกไปนั้นในเวลาปลายปฐมยามแห่งราตรีเสียงเป่าเขาสัญญาณและกระดึงที่คอโคดังขึ้นแข่งกับเสียงไก่อันขันกระชั้นอยู่ทั่วไปมองไปทางทิศเหนือ จะและเห็นภูเขาบางลูกตั้งตรางานอยู่อย่างสลัวมีเสียงชนีร้องห่วยหวนแววมาแต่ไกลทั้งทั้งที่ชนีมักจะส่งเสียงร้องในเวลาสายได้รุนแล้วเป็นส่วนมากทานิยะได้ชี้แจงแกสุรเสนว่าตำบลบ้านที่จอดพักแรมคืนและมีสตรีชราร่วมเดินทางไปด้วยนั้นชื่อกติคามเป็นหมู่บ้านอันเกี่ยวกับโบราณประวัติได้ชื่อฉะนั้น เพราะตั้งอยู่ปลายเขตปราสาทของพระเจ้าปนาทะมหาราชผู้ปรากฏพระนามในทางมีปราสาทสวยงามกว้างใหญ่และประดับวิจิตรไปด้วยทองคำและเมื่อเดินทางจากโกติคามในวันนี้จะเร่งให้ถึงกรงภัยาลีแต่เพลาที่ประตูเมืองยังไม่ทันปิดก็พอจะทันแต่เมื่อเดินทางตามสบายก็จะแวะค้างณนาะนะนะทกคามอีกคืนหนึ่งซึ่งกาหนดว่าขบวนเกวียนจะไปถึง แต่พอตะวันบ่ายมีเวลาขายสินค้าบางอย่างได้จนถึงเย็นลำดับนั้นกองเกวียนกำลังผ่านช่องเขาซึ่งตั้งเรียงรายเป็นพืชมีทางกว้างพอประมาณธนิยะได้เริ่มสังเกตเห็นการเตรียมการรับศึกของแคว้นวัดชีอย่างที่ผู้มีสายตา ของนักรบจะพึงเห็นได้จึงกล่าวขึ้นว่าดูก่อนสุรสณชเยภูมิของแควนวัชีเป็นประโยชน์ในการรับศึกด้านมคตถ้าจะรุกรานกันด้วยกำลังทางทหารอย่างเดียวก็ยากที่จะล่วงล้ำช่องเขานี้ไปได้พ่อจึงคิดว่าถ้ามคตปรารถนาจะรุกรานแล้วสุนีทัพรามและวัศกา ร, รพรามพร้อมทั้งที่ปรึกษาทางทหารอื่นๆของแขวนมคต จะต้องใช้วิธีอื่นอันประกอบด้วยอุบายเช่นการยุแย่ให้เกิดการแตกรากันขึ้นในหมู่เจ้าฤชวีผู้มีหน้าที่ปกครองดูก่อนสุรเสนเจ้าควรจะทราบไปยลยว่าขุนพลแห่งแขวนวัชีนั้นมิใช่นักรบขนาดธรรมดาสามัญที่ใครๆจะพึงดูหมิ่นได้เมื่อสิ้นบุญอชิตตะเสนาบดีผู้เป็นสิทธิ์ที่จงรักในสมเด็จพระบรมศ า, ศาสดาแล้วเจ้าฤาวี ก็ประชุมกันตั้งแต่สีหะขึ้นประจน์ถึงเสนาบดีสืบแทนสีหะเสนาบดีเป็นคนมีความรู้ความสามารถยอดเยี่ยมคนหนึ่งเดิมทีเดียวเป็นสิทธิของนิครณตบุตรมีความเคารพนับถือและปฏิบัติตามคําสั่งสอนของนิครนาตาบุตรโดยเคร่งครัดข้อนี้เองทําให้ฐานะแห่งการสั่งสอนของนิครณตบุตรมีทางจูงใจบุคคลให้เข้ามาเป็นสาวกได้ไม่ใช่น้อยเพราะ เมื่อผู้กลุมอำนาจแห่งกองทัพคือศีหะเสนาบดีเป็นผู้ประถากอยู่คนอื่นๆก็ย่อมยำเกรงหรือพลอยเคารพนับถือเป็นธรรมดานอกจากนั้นในเมืองสำคัญอีกบางเมืองเช่นเมืองนารันทาอุปาลีคร บ, บดีผู้มั่งคั่งด้วยทรัพย์สมบัติอย่างล้นเหลือและที่สำคัญยิ่งคือคนมีวาทหลักแหลมก็ยังยอมปฏิบัติเป็นศิลป์อุปชาณิครนนาตบุตรและในเมืองกบิลพัท อันเป็นชาติภูมิของพระบรมศาสดาวัปปะสากยะซึ่งเป็นคนสำคัญที่มีชื่อเสียงก็เป็นสิทธิของนิโคร น, นัตบุตรเช่นเดียวกันดูก่อนสุรเสนะหน่าแปลกไหมที่สิทธิคนสำคัญทั้งสามในเมืองภัยาลีเมืองนาลันชาและเมืองกบิรพัตนั้นเมื่อมาพบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็กลับสระความเชื่อถือในลทัทธิของนิคร น, นับุตรและหันมาปฏิญาณตน เป็นอุบาสกในพระพุทธศาสนาถือพระธนัตไตรเป็นสรณะตลอดชีวิตทั้งสิน้นเหตุการณ์ทั้งนี้ทำให้นิครนาตบุตรผู้เป็นเจ้าลทัทธิถึงกับเศร้าโศกเสียใจมากทีเดียวพ่อจะเล่ารายละเอียดแห่งการที่บุคคลทั้งสามหันมานับถือและปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระบรมศาสดาให้เจ้าฟังก็จะยืดยาวมากในที่นี้เมื่อเห็นฝีมือเตรียมการป้องกันของสีหเสนาบดีพ่อ ก็จะเล่าเฉพาะประวัติที่เสนาบดีผู้นี้ละทิ้งศาสนาเดิมของตนเพียงรายเดียวสีหาเสนาบดีซึ่งเป็นสาวกของนิโครนาตบุตรนั้นเป็นคนพูดตรงพูดตรงไปตรงมาอย่างอาถานไม่ยอมเชื่อใครง่ายๆ แม้เมื่อหันมาเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วเมื่อได้ฟังธรรมกถาต่างๆที่สมเด็จพระบรมศ า, ศาสดาทรงแสดงก็ประากาศขึ้นมายัางเชื่อในใจตัวเองว่าข้อความที่ทรงแสดงนั้นสีหสเสนาบดีไม่ได้เชื่อต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าคือไม่ต้องเชื่อตามๆที่ทรงสั่งสอนหากเห็นจริงในพระโอวาทนั้นด้วยใจของตัวเองก็ชื่อว่าเชื่อตัวเองอันแสดงว่ามิใช่ เป็นพวนใครๆจะพึงทําให้เชื่ออย่างงมงายได้เป็นลักษณะอย่างหนึ่งของผู้นับถือพระพุทธศาสนาที่จะต้องใช้ปัญญาพิจารณาหลักธรรมคาสอนให้รู้แจ้งเห็นจริงด้วยตนเองไม่เชื่ออะไรเพียงเพราะเหตุที่ได้สดับตรับฟังพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงนิยมสั่งสอนให้ผู้ฟังเห็นจริงด้วยตัวเองเช่นนี้เรื่องของศรัทธาความเชื่อในพระพุทธศาสนาจึงมีลักษณะที่แปลกกว่าศรัทธา ที่ศาสดาจารย์เจ้าและที่อื่นๆสั่งสอนมูลเหตุที่สิหเสนาบดีจะหันมาสู่พระพุทธศาสนานี้คือในวันหนึ่งได้ฟังเจ้าลิชวีคนสำคัญสำคัญหลายๆท่านสันเสริญพระคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็มีความปรารถนาที่จะไปเฝ้าดูพระกิริยาอาการและจะถามปัญหาแต่ด้วยความเคารพในนิโครนาตบุตรอาจารย์ของตนจึงเข้าไปหาแจ้งความประสงค์ให้ทราบนิโครนาตบุตรได้ห้ามไว้ว่าอย่าไปเลยไม่มีประโยชน์อะไรเพราะพระสมณโคโดมเป็นอากิริยาวาทะคือสอนไม่ให้ทาย่ำสั่งสอนสาวกแต่ในถังนั้นต่อมาเสียสนบดีเข้าประชุม กับเจ้าลิชวีทั้งหลายได้สดับคถาปาราคุณความดีของพระบรมศาสดาอีกก็เกิดความปรารถนาจะไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงไปหาแจ้งความจำนงของตนแต่นิครนาตบุตรแต่ก็รับการทัดทานอีกครั้งเป็นครั้งที่สองครั้นในวรรคที่สามไม่ได้ฟังคําสนทนาของคนอื่นกล่าวสดุดีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าความปรารถนาของสิหเสดมุ ด, มดีที่จะได้เข้าเฝ้าพระบรมศาสดา ก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นจึงดำริว่าถ้าเราขึ้นไปบอกกับนิคโครนาตบุตรก็คงไม่ได้เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นแท้จึงตกลงใจไม่บอกสั่งนายทหารใกล้ชิดให้เตรียมยานพาหนะนับจำนวนร้อยเพื่อเดินทางออกจากกรุงไผ่าลีไปเฝ้าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านักูตาคารศาลาป่ามหาวันอันเป็นการเดินทางเต็มตามอิสริยยศของขุนพลคว้นวัชี มีกองทหารติดตามไปด้วยเป็นอันมากเมื่อสิ้นระยะทางที่รถจะไปได้แล้วก็ลงเดินเท้าต่อไปจนถึงที่ประทับเมื่อถวายบังคมและนั่งลงณส่วนข้างหนึ่งพร้อมด้วยเหล่าทหารที่ติดตามไปแล้วจึงกราบทูลขึ้นว่าพระเจ้าข่าข้าพระองค์ได้ฟังเขาเล่ากันว่าพระสมณะโคดมเป็นอคิริยวาทะคือผู้มีวาทะหรือความเห็นเรื่องไม่ทำข้อนี้จะเป็นเรื่องผิดถูกอย่างไร ข้าพระองค์หาได้ประสงค์จะกล่าวหาความพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่สมเด็จพระบรมศาสดาได้ตรัสตอบว่าดูก่อนสีหะผู้ที่กล่าวหาว่าเราพูดหรือสอนเรื่องไม่ธรรมนั้นจะว่ากล่าวถูกก็มีช่องทางที่เป็นไปได้หรือจะกล่าวหาว่าเราอย่างอื่นอีกเช่น ว, ว่าพระสมณะโคดมเป็นผู้พูดหรือสอนเรื่องธรรมเป็นต้นใครจะว่าอย่างไรก็ได้เพราะที่สอนเรื่องไม่ธรรมก็มีสอนจริง คือสอนไม่ทําทุจริตทางกายวาจาใจและบาปอากุศลธรรมต่างๆที่สอนเรื่องธรรมก็สอนจริงคือสอนให้ทาสุจริตทางกายวาจาใจและกุศลธรรมต่างๆดูก่อนสุรเสนะศิหเสนบดีถามเพียงข้อเดียว ถึงเรื่องที่ตนได้ฟังเขากล่าวหาสมเด็จพระบรมศาสดาว่าสอนหรือกล่าวเรื่องไม่ทำแต่สมเด็จพระบรมศาสดากลับนําคํากล่าวหาต่างๆถึง8ข้อซึ่งเป็นคําสําหรับใส่ร้ายกันมาอธิบายให้ฟังว่าทั้ง8ดข้อนั้นแม้ใครจะกล่าวหาพระองค์ก็มีทางที่จะชี้แจงได้ว่าเขากล่าวถูกต้องเหมือนกันครั้นแล้วจึงทรงอธิบายเงื่อนไขต่างๆที่เป็นไปในทางดีงามคือ กลับคำใส่ร้ายนั้นให้เป็นเรื่องสนับสนุนความดีแห่งพระธรรมคําสอนของพระองค์แทนที่จะแสดงพรฤอาการโกรธเคืองต่อท้ายคำกล่าวหาเหล่านั้นสิหเสนบดีได้ตรองตามโดยละเอียดก็มีความเลื่อมใสทั้งในพระพุทธจริยาและหลักธรรมคําสั่งสอนเมื่อได้เทียบเคียงกับความเป็นไปแห่งนิโครนาตบุตรอาจารย์เดิมของตนแล้วเห็นว่าไกลกันนักจึงก้มลงกราบ ประกาศตนยอมเป็นอุบาสกถึงพระธนตรยัยคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสารณะตลอดชีวิตแต่แทนที่สมเด็จพระบรมศาสดาจะทรงสำแดงพระาการตื่นเต้นที่ได้คนสําคัญมาเป็นสิทธ์กลับทรงตักเตือนให้คิดดูให้รอบครอบเสียก่อนเพราะคนสําคัญขนาดสสห์เสนาบดีทำอะไรด้วยการไตรตรองรอบคอบก่อนจึงจะเป็นการดีสเสหเสนาบดีจึงกราบทุนว่า ถ้าเป็นศาสดาจารย์คนอื่นได้คนอย่างข้าบรงเป็นสิทธ์ก็คงจะยกธงประกาศกล้องทั่วกรุงพิษณลีเป็นแน่แต่พระผู้มีพระภาคเจ้ากลับตักเตือนให้ไตรตรองก่อนเช่นนี้นับว่าน่าอาัศจรรย์และน่าเลื่อมใสฐานมีความตั้งใจประกาศตนเป็นอุบาสกแน่วแน่ยิ่งขึ้นจึงขอประกาศตนเป็นครั้งที่สองดูก่อนสุรเสนะสมเด็จพระบรมศาสดา สรงมีน้ำพระไถ่เอื้อเฟื้อไปถึงพวกนักบวชนิครรนว่าสีหเสนา บ, บดีเคยเป็นอุปถากถาวายอาหารเจเหล่านี้คนเหล่านั้นถ้ามานับถือพระพุทธศาสนาจะเลิกเลี้ยงดูก็จะทําให้นักบวชเหล่านั้นขาดแคลนในเรื่องอาหารการบริโภคและปัจจัยลาภอื่นๆจึงตรัสเตือนสีหเสนา บ, บดีให้คงเลี้ยงดูนิครรนเหล่านั้นตามปกติอย่าตัดรอนเรื่องลาภผลใดๆ สิหเสดรมบดีกราบทูลว่าตนเคยได้ยินแต่เขากล่าวหาพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าใจแคบสอนไม่ให้คนทําบุญทําทานแก่พวกอื่นนอกจากสาวกของพระองค์เท่านั้นแต่นี่กลับปรากฏว่าตรงกันข้ามเป็นการน่าเลื่อมใสในพระหฤทัยยิ่งนักจึงประกาศตนเป็นอุบาสกเป็นครั้งที่สามและกราบทูลเกี่ยวกับการเลี้ยงดูพวกนิครนว่าขอรับไว้พิจารณาเอง ดูก่อนสุรเสนะสมเด็จพระบรมศาสดาส่งเห็นว่าสมควรจะสั่งสอนธรรมะชั้นสูงต่อไปได้จึงได้ส่งสอนอนุบุพิคถาและอริยสัจคือของจริงทั้งสี่ประการที่พระองค์ทรงค้นพบและทาหน้าที่มาเสร็จสมบูรณ์ให้สิหเสนาบดีได้ทราบซึ้งเห็นแจ้งในศาสนธรรมของพระองค์ดูกนสุรเสนะในวันนี้พ่อ ยังจะไม่พูดกับเจ้าถึงธรรมะสูงสูงแต่จะให้เจ้าย้อนไปพิจารณาถึงคำกล่าวหาซึ่งเสน า, นาบดีฟังมาจากอาจารย์ของตนที่ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเป็นอกิริยวาทะผู้กล่าวหรือสอนเรื่องไม่ทำคำนี้มีความหมายรุนแรงอยู่เพราะเท่ากับหาว่าสอนให้งอมืองงอเท้าหยุดก้าวไปสู่คุณเบื้องหน้านั่งนอนรอวันตายไปถ้าสอนเช่นนี้จริง ก็เท่ากับเป็นคำสอนที่ทำให้คนเกลียดคร้านไม่มีความเจริญแทนที่สมเด็จพระบรมศาสดาจะทรงแสดงพระราการเคียดขึงต่อคำกล่าวหาเหล่านั้นกลับทรงรับว่าจะหาว่าสอนเรื่องไม่ทำก็ได้เพราะเราสอนไม่ให้ทำชั่วจะว่าสอนให้ทำก็ได้เพราะสอนให้ทำดีหรือจะมีคำกล่าวใดๆอีกเช่นหาว่าทรงสั่งสอนให้ขาดศูนก็ตรัสตอบว่าถูกเหมือนกัน พระสอนให้ทำลายกิเลสให้ขาดสูญเป็นการรู้จักดัดแปลงคำกล่าวหาให้กลายเป็นเครื่องสนับสนุนพระศาสนาของพระองค์ไปในทางที่ดียิ่งขึ้นซึ่งนับว่าทรงเป็นผู้สมเป็นพระบรมศาสด า, ศาดูก่อนสุรเสนะอาจมีบางคนที่ไม่รู้จริงๆหรือบางคนรู้แต่พยายามปิดตาปิดหูของตนต่อคำสั่งสอนเรื่องการตั้งตัวเรื่องความขยันหมั่นเพียรของสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า แล้วใส่ความว่าสอนให้ไม่ทำอะไรดีแต่เกียจคร้านพ่อจะบอกให้พระบรมศาสดาของเราทั้งหลายสงเป็นตัวอย่างที่ดียิ่งของผู้มีความขยันหมั่นเพียรต่อสู้อุปสรรคต่างๆตลอดเวลา6ปีในการสแสวงหาพระโพธิญาณม่ได้พรั่นพรึงแต่ความยากลำบากใดๆแม้เมื่อตัดสรู้แล้วก็ยังทรงอุตสาหเสด จ, จาริกไปในที่ต่างๆเพื่อแสดงธรรมโปรดเวนยสัตว์ ไม่ได้เห็นใจความเหนื่อยยากดูก่อนสุรเสนผู้ใดเกียจคร้านงอมืองอเท้าไม่คิดตั้งตัวให้ได้ผู้นั้นหาชื่อว่าเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีไม่เพราะไม่ได้ทำตามคำสั่งสอนของสมเด็จพระบรมศ า, ศาสดาที่ให้รู้จักตั้งตัวได้โดยทราบอันเป็นต้นทุนแม้น้อยดูก่อนสุรเสนผู้ศึกษาพระพุทธศาสนาดีแล้วจะเป็นคนมีความอุ่นใจเสมอในการครองชีพ เขาอาจเริ่มต้นด้วยไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยแม้เพียงแต่อาหารจะยังท้องให้เต็มมือหนึ่งก็หาได้ยากอย่างนี้แหละแต่อาจกลายมาเป็นมหาเศรษฐีขึ้นมาได้เพราะความภาคเพียรความอดทนไม่ยอมตกเป็นทาสของความเกียดคร้านความท้อแท้หมดหวังหรือความคิดอย่างโงๆ่ๆที่จะก้าวทีเดียวให้ขึ้นบันไดถึงขั้นสุดยอดคือหวังจะเป็นเศรษฐีให้ได้ในวันเดียวโดยไม่ต้องทําอะไรให้เหนื่อยาก อันเป็นการได้ดีอย่างลอยลอยดูก่อนสุรสนณภาษิทิโบราณก็มีกล่าวไว้ว่าผู้ละความภาคเพียนเสียคอยคิดแต่พึ่งโชคชะตานั้นย่อมไม่ผิดอะไรกับราชสีที่ทำด้วยหินซึ่งเขาตั้งไว้ที่หน้าปราศาสตรแม้กาก็จับที่ศีรษะได้ดูก่อนสุรสนณ พ่อคนหนึ่งละที่มั่นใจว่าถ้าปฏิบัติตามที่สมเด็จพระบรมศ า, ศ า, ศาสดาทรงสั่งสอนแล้วแม้เบื้องต้นเราจะเป็นเพียงขอทานคนหนึ่งก็อาจตั้งตัวได้เป็นอย่างดีถ้าเรามีความเพียรทำกิจการงานอาชีพที่สุจริตไม่เป็นคนผิวบางกลัวแดด ก, กลัวฝนหรือเกียดคร้านคอยแต่พึ่งโชคชะตาแล้วอย่างน้อยในขั้นต้นเราก็พอจะเลี้ยงปากเลี้ยงท้องในวันหนึ่งหนึ่งได้ ไม่ถึงกับอดอยากในขั้นต่อมาที่ทรงสั่งสอนให้รู้จักเก็บรักษาส่วนที่หามาได้ให้รู้จักคบเพื่อนที่ดีงามไม่ชวนกันไปในทางเสเพลและให้รู้จักครองชีพให้พอเหมาะสมกับฐานะเราก็จะสามารถตั้งตัวได้ในทางโลกเช่นเดียวกับตัวปลวกที่ก่อรังของมันขึ้นทีละน้อยจนสูงท่วมศีรษะคนได้เพราะเหตุนี้พ่อจึงมีความสุข ด้วยการประกอบอาชีพอันสุจริตอย่างพ่อค้าเกวียนคนหนึ่งตามหลักคำสอนของสมเด็จพระบรมศาสดาสุรเสนาเอยพระพุทธศาสนาให้ความอุ่นใจแก่คนที่เริ่มต้นด้วยไม่มีอะไรด้วยสอนให้มีความขยันหมั่นเพียรเช่นนี้เจ้าจึงควรจะสำเนียอข้อความนี้ไว้ให้ดีเจ้าจะต้องไม่กลัวความยากลำบากหรืออุปสรรคใดๆจงพิจารณาเห็นสิ่งเหล่านั้น เป็นประหนึ่งขั้นบันไดที่จะส่งเจ้าให้สูงขึ้นขึ้นไปซึ่งจะเป็นเห็นให้เจ้ามีน้ำใจเข้มแข็งสมเป็นผู้นับถือพระพุทธศาสนาซึ่งมีพระบรมศาสดาผู้เข้มแข็งทํางานที่ยากไว้ให้ดูเป็นตัวอย่างโดยไม่ต้องใช้ทรัพย์สินเงินทองอะไรเป็นต้นทุนเลยอาศัยการเป็นอยู่อย่างง่ายๆอาศัยความภาคเพียรไม่ย่อท้ออาศัยความซื่อสัตย์สุจริตสิ่งเหล่านี้จะเป็นเครื่องมือที่ดียิ่ง และมีอำนาจส่งเสริมให้บุคคลประสบความเจริญได้ถึงขนาดจริงๆสุรเสนาถอนหายใจยาวๆกัดกรามแน่นมีน้ำตาคลอยอย่างแปลกประหลาดเมื่อได้ฟังท่านบิดากล่าวปลุกใจให้เป็นคนเข้มแข็งมันขยันกล้าสู้กับชีวิตในโลก เขารู้สึกมั่นใจในตัวเองขึ้นว่าด้วยมือและเท้าอันเป็นสมบัติประเสริฐติด ต, ตัวมานี้เขาอาจเืนอยู่ได้ในโลกโดยมีพร่านพรึงต่อความยากลำบากใดๆความรู้สึกเช่นนี้ทำให้อุ่นใจและสดชื่นอย่างยิ่งคล้ายกับจะมีเรีย่ยงมีแรงเพิ่มขึ้นมาตามกำลังใจขณะนั้นขบวนเกวียนได้ผ่านเข้าเขตนาที่กคามอันเป็นตบลบ้านสองตบลติดกันใช้บึงน้าขนาดใหญ่รวมกัน ตำบลบ้านทั้งสองนั้นผู้ปกครองเป็นลูกผู้พี่ผู้น้องกันและโดยเหตุที่ตั้งอยู่ไม่ไกลรัชธานีจึงมีสิ่งปลูกสร้างอันเจริญกว่าโกติคามมองแต่ไกลจะเห็นคินชวาวัฒถะคือโรงพักคนเดินทางอันทาด้วยอิฐและหมู่ไม้ขึ้นเขียวชะอุ่มแวดวงบึงใหญ่อันมีท่าน้ำน่ารื่นรมทนิยะได้สั่งขบวนเกวียนให้จอดพักใกล้หมู่บ้านทั้งสองขายสินค้า ทั้งที่นำมาเดิมจากกาสีและที่ซื้อเพิ่มเติมจากมคตและไม่ได้สังเกตเห็นสุรสนะมีท่าทางร่าเริงคล่องแคล่วขึ้นอย่างผิดปกติเพราะได้สดับคำสอนของตนอันเกี่ยวด้วยพระพุทธโอาวาทก็รู้สึกพอใจ